ดีค่ะคุณผู้ฟังที่เครารพพบกับรายการชีวิตวัฒนธรรมและดิฉันผนอลทำเนียมอินอีกเช่นเคยนะคะช้ามืดของวันเสาร์ค่ะประมาณตีสี่ถึงตีห้านะคะเราพบกันเป็นประจำทาง f อฟเอ็สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีแห่งนี้เช้ามืดนี้เป็นยังไงกันบ้างคะหลายคนก็เจอท้องฟ้าที่เริ่มเรื่องเรืองแจ่มใสแต่ว่าบางท่านก็อาจจะยัง นอนมีความสุขนะคะแต่ก็หลายคนยังไม่ได้นอนเลยนะคะเป็นกำลังใจให้กันค่ะวันเวลาของแต่ละคนใน24ชั่วโมงนี้ไม่เหมือนกันเลยนะคะท่านที่ต้องขับรถตอนนี้ง่วงหรือเปล่าเอ่ยถ้า ง, ง่วงก็ดื่มน้ำเย็นๆสักจิบหนึ่งแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆจอดพักก่อนนะคะอย่าฝืนไปต่อเพราะเพียงเสี้ยววินาทีนะคะถึงเราจะขับรถดีไม่ประมาทแต่ว่าเราอาจจะ ไม่ทันระวังหรือศักยภาพของเราในการระมัดระวังตนเองที่จะไปเสียเจอเหตุการณ์อะไรบนถนนเนี่ยมันอาจจะด้อยลงวันก่อนที่ฉันก็ไปต่างจังหวัดกับเพื่อนค่ะแล้วก็ขับขับรถกันมาก็ตกใจเพื่อนก็สะดุ้งในระยะไม่กี่ไม่กี่ไม่กี่สิบเมตรนะคะต้องอย่างนี้พัดลมตั้งโต๊ะตัวเบลเลอร์เธอค่ะ กลิ้งอยู่บนถนนขวางหน้ารถของเพื่อนที่เรียนขับไปแล้วเราก็มัวแต่เอาพัดลมพัดลมพัดลมหักเบี่ยงหลบพัดลมที่นอนเคเ้กเ้ยอยู่กลางถนนแต่เสียงล้อรถเพื่อนดังกริ๊บเข้าใจว่าไม่ตะแกรงก็ส่วนใดส่วนหนึ่งของพัดลมแหะค่ะที่มันหลุดออกจากตัวพัดลมมันมาอยู่ในเลนที่เราหลบไม่ได้อีกแล้วนะคะเช่นนี้เป็นต้น ดีนะคะว่าเพื่อนไม่ได้ขับรถเร็วนะคะเหตุที่ไม่คาดฝันมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาก็ด้วยรักและห่วงใยจากพวกเราชาวสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะอยากให้ทุกทุกท่านมีความสุขปลอดภัยแล้วก็ได้รับสิ่งดีๆชีวิตวัฒนธรรมจึงขอเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะมาแบ่งปันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านต่างๆเกี่ยวกับวิถีชีวิตของพวกเราไม่เพียงเพราะชาวไทยเท่านั้นนะคะแต่ พี่น้องของเรามีทั่วโลกนะคะต่างคนต่างมีประเพณีขนทรทมเนียมอรารยธรรมต่างๆที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ความเชื่อถือเคารพศรัทธาซึ่งทั้งหมดมีค่าทางจิตใจและเกิดขึ้นด้วยการสร้างขวัญกำลังใจสร้างสิ่งดีๆให้กันและกันนั่นเองค่ะเช้ามืดวันนี้ดิฉันผนวดทมเนียมอินอยู่กับคุณบิ๊กนะคะ คุณวิกควบคุมเสียงแล้วก็หาเพลงเพราะๆมาให้ทุกๆท่านได้รับฟังกันค่ะดังนั้นส่งสัญญาณมาแล้วนะคะว่าฟังเพลงแรกจากเรากันก่อนเดี๋ยวคุยกันในช่วงต่อไปค่ะ จะว่าอย่างไรขอช้างมีหน้าขอมาสัก ต, ตัวไม่ได้กราบไหว้วนขอละครรำไทยขอเอา มาให้น้องข้าจะได้หัดรำ ร้องไห้พราะคงไม่ได้แจ่มจันทร์ขอเพดแห่งแพ่นขอแบงสักเรือกำปั้นอยากหยับงำขอต้องคาสักคำขอ สอวันจะคืน hmm. จ mm ันไรช่วยดูให้ได้ ทางฟื้นแม้คืนใจดำถ้าคงร้ อ, องไห้เพาคงไม่ได้แจ่มจันทร์ขอเท่ดตั้งแท่งขอเด้งตะเกียบกำปั้น ยับนำขอทองคำสักกันขออา๋มามัน้นสัก่อองสามวัน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 เปิดบริการตั้งแต่8โมงเช้าถึงบ3โมงจนถึงสุขโทร 02-549-3043 หรือที่ w ว w .lotus.rmutt.ac.th สถานสุขภาพความงามบัวสปาภายใต้การดูแลโดยวิทยาลัยการพกแพทย์แผนไทยราชมงคลทัญบุรี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 คุณผูังคาตอนนี้ดิฉันเห็นขนมไหว้พระจันทร์นะคะขายมาสักเป็นเดือนละนะคะก็ไปซื้อมารับประทานด้วยแต่ตัวเองก็ไม่เคยไหว้พระจันทร์นะคะรู้สึกถึงความอร่อยรู้สึกถึงคุณค่าว่าโอ้ขนมไหว้พระจันทร์เนี่ยนอกจากอร่อยแล้วต้องมีความหมายของเขาแน่ๆนะคะว่าเขาทํากันมาเพราะอะไรยังไงหลายท่านก็บอกอ้อรู้แล้ว แต่หลายคนก็บอกอืมเคยกินเคยเห็นเคยได้ยินแต่ก็ไม่รู้ดังนั้นชีวิตวัฒ น, นธรรมคําคืนนี้ขอรายงานเรื่องราวของวันไหวพระจันท ร, ร์กับขนมไหว้วพระจันท ร, ร์กันสัหน่อยนะคะวันไหวพระจันท ร, ร์เป็นเทศกาลตามวัฒนธรรมจีนที่เกิดขึ้นในกลางฤดูใบไม้ร่วงค่ะของเรานี่ก็ฝนเต็มเต็มนะคะไม่ใช่ใบไม้ร่วงเหมือนคนจีนเขา เทศกาลนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการเก็บเกี่ยวซึ่งจะมีขึ้นในคืนวันเพ็ญเดือนแปดตามปฏิทินจันทรคติซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่สิบสามกันยายนก็คือเมื่อวันวานและในเทศกาลไหว้พระจันทร์นี้ชาวจีนจะเฉลิมฉลองด้วยการไหวดวงจันทร์ในเวลากลางคืน ในบางประเทศเช่นฮ่องกงไต้หวันสิงคโปร์หรือเวียดนามเนี่ยเขาจะจัดเป็นประเพณีใหญ่เลยนะคะแล้วก็มีการเฉลิมฉลองด้วยโคมไฟสีแดงเป็นสีสันยามค่าคืนค่ะหรือว่าบางแห่งก็อาจจะมีการเชิดมังกรทางนี้ก็จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปตามท้องถิ่นนะคะสำหรับ ขนมไหว้พระจันทร์แน่อันนั้นก็คือเรื่องราวของวันไหว้พระจันทร์ซึ่งเมื่อคืนท้องฟ้าสว่างสวัยมาจนเช้ามืดวันนี้นะคะดิฉันก็ยังเห็นท้องฟ้าสว่างตั้งแต่เมื่อวันพุธวันพฤหัสท้องฟ้าก็สวยนะคะแต่ว่าแป๊บๆก็มีเมฆทะมึนมาบังก็หวังใจว่าวันไหว้พระจันทร์ เมื่อคืนนี้ของทุกท่านคงจะเป็นวันเพ็ญที่สวยงามอีกวันหนึ่งในรอบปีทีนี้มารู้จักขนมไหว้พระจันทร์แสนอร่อยกันบ้างขนมที่เป็นขนมไหว้พระจันทร์นั้นนะคะเขา สันนิษฐานกันว่านะคะมีเรื่องเล่าเหมือนการบอกมินีสันฐานกลมคล้ายขนมเค้กทำจากแป้งมีแท่ต่างๆที่เป็นธัญพืชใช้เส้นไหวและรับประทานกันจนเป็นเอกลักษณ์สำหรับเทศกาลนี้แต่ชาวสนุกสนุกก็หมายถึงสนุกด o m อมที่ดิฉันค้นคว้าข้อมูลมาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าดูดวงรู้หรือไม่ว่าประวัติความเป็นมาของวันไหว้พระจันทร์มีที่มาที่ไปอย่างไรเนี่ย ก็ขออ่านตามสนุกเขาเขียนไว้ก็แล้วกันนะคะเขาบอกว่าเทศกาลไหว้พระจันทร์ของทุกปีก็คือวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดที่เดือนเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะคะชาวจีนทุกๆครัวเรือนก็จะซื้อขนมไหว้พระจันทร์มาไหว้พระจันทร์พร้อมกับการชมพระจันทร์จนกลายเป็นประเพณีของจีนตลอดมาเลยค่ะสำหรับประเพณีรับประทานขนมไหว้พระจันทร์ ในวันไหว้พระจันทร์นั้นเกิดขึ้นเมื่อสมัยของมองโกลเข้ามาปกครองแผ่นดินจีนเมื่อชาวมองโกลกดขี่คุมเหงแล้วก็ทํำร้ายชาวจีนอย่างโหดเหี้ยมเพื่อควบคุมดูแลชาวจีนอย่างใกล้ชิดนั้นชาวมองโกลจึงส่งทหารของตนไปประจำอยู่ในบ้านของชาวจีนครอบครัวละหนึ่งคนก็เป็นอันว่าชาวจีนทุกๆครัวเรือนต่างต้องเลี้ยงดูทหารมองโกลหนึ่งคน ทหารมองโกลเหล่านี้ก็ยังเกาะกรัมทําำทำชั่วไม่หมดนะคะก็ทําให้ชาวจีนคุ้นเครื่องใจเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะแล้วต่อมานะคะท่านหลิวปัวเวินคิดได้วิธีหนึ่งคือให้นํากระดาษเขียนข้อความแล้วก็สอดไส้ไว้ในขนมเรียกร้องให้ชาวจีนทุกคนลงมือสังหารทหารมองโกลที่ประจําอยู่ในบ้านของตนเสีย อย่างพร้อมเพรียงกันในวันเพ็ญเดือนแปดทั้งนี้เพื่อให้ชาวจีนไปซื้อขนมมารับประทานกันต่างได้อ่านข้อความแล้วก็ช่วยกันกระจายข่าวนี้ออกไปเพื่อก่อการปฏิวัติโดยพร้อมเพรียงกันณวันเพ็ญเดือนแปดทาให้สามารถโค่นล้มอำนาจการปกครองของมองโกได้ในที่สุดค่ะ แล้วก็เพื่อเป็นการฉลองและรำลึกการกอบกู้แผ่นดินที่ประสบ ค, ความสำเร็จนี้นะคะประเพณีรับประทานขนมไหว้พระจันทร์ในวันเทศกาลดังกล่าวจึงมีการสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันไม่ว่าแห่งหนใดที่มีชาวจีนเดินทางไปถึงก็จะพาประเพณีรับประทานขนมไหว้พระจันทร์ไปด้วยสำหรับขนมไหว้พระจันทร์ที่แพร่หลายในประเทศไทยเรานั้นนะคะเป็นแบบของกวางตุง้ง ส่วนใหญ่นะคะหลายปีที่ผ่านมาขนมวหวยพระจันทร์ที่ผลิตในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นด้านคุณภาพรสชาติแล้วก็การบรรจุหีบหอ่อล้วนมีระดับที่สูงขึ้นวงเล็บราคาก็สูงด้วยนะคะรสที่นิยมกันอันนี้ดิฉันเติมเองก็ <c oughs> จะมีรสที่หลากหลายนะคะตั้งแต่เม็ดบัวหรือถ้าจะพูดให้ถูกก็ต้องเมล็ดบัวนะคะชื่อ อีกชื่อหนึ่งที่ทุกคนชอบมากก็คือไส้ทุเรียนค่ะจะมีทุเรียนบนไข่ด้วยหรือไม่นี่ก็ต้องไปอ่านเอาหน้ากล่องนะคะตอนนี้ก็จะมีพุซจีนแมคคาเดเมียและรสชาติอื่นๆที่อร็ดอร่อยไปต่างๆกันจุดเด่นก็คือส่วนมากจะเป็นธัญพืชค่ะ ขนมไหว้พระจันทร์ในปัจจุบันนี้นะคะก็ดัดแปลงรสชาติแล้วก็รูปร่างหน้าตาให้ดูทันสมัยมากมายหลากไส้นะคะแต่ก่อนเนียเราก็อาจจะไม่ค่อยรู้สึกว่ามีไส้อื่นๆเท่าไหร่นะคะส่วนมากแล้วก็จะเป็นทุเรียนนะคะแต่ตอนนี้ด้วยความที่คนคิดทำขนมไหว้พระจันทร์เนี่ยมีตั้งแต่ชาวบ้าน มีตั้งแต่ชาวตลาดตอนนี้โรงแรมใหญ่ๆก็ทำขนมไหว้พระจันทร์ออกมาขายนะคะตัวดิฉันเองไม่ได้ไหว้พระจันทร์แล้วค่ะแต่เห็นแล้วก็อดซื้อมารับประทานไม่ได้แถม ตกเป็นเครื่องมือเล็ ก, ลกๆน้อยๆด้วยความเต็มอกเต็มใจว่าถ้าซื้อสองชิ้นให้กล่องสวยๆหนึ่งใบถ้าซื้อสีชิ้นให้กล่องสวยๆหนึ่งใบโอ้โหเล่าตาล่าใจซะอย่างนั้นนะคะก็ได้กล่องสวยๆเอามาใส่ของใช้ไปอีกยาวหน้านเลยค่ะเพราะว่ากล่องที่เขาแถมให้มานะ่ะมันเป็นกล่องอย่างดีเหมือน กล่องขนมปังที่ก็แจกปีใหม่แต่รูปร่างหน้าตาสวยกว่านั้นเยอะเลยนะคะนี่คือเรื่องราวของเทศกาลไหว้พระจันทร์แล้วก็ขนมไหว้พระจันทร์ที่นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะแต่แต่แ ต, แต่ยังไม่หมดเพียงนั้นค่ะเขายังมีความหมายแถมให้อีกด้วยนะคะกินอร่อยแล้วก็ต้องทราบความหมายไปด้วยดีไหมคะขนมไหว้พระจันทร์ไส้ของขนมไหว้พระจันทร์ที่มีไข่แดง ไข่แดงจะหมายถึงพระจันทร์ค่ะนี่พระจันทร์วันเพ็ญก็มีไข่แดงกลมๆนะคะส่วนไส้ขนมไหว้พระจันทร์ที่เป็นเม็ดบัวอันนี้ภาษาชาวบ้านเราเนาะเม็ดบัวเป็นสัญลักษณ์ของจิตใจบริสุทธิ์อายุที่ยืนยาวความอ่อนน้อมถ่อมตนและความสงบสุขเพราะฉะนั้นก็เม็ดบัวมีประโยชน์นะคะต่อไปมีไส้ใหม่นะคะคือไส้ลูกพลัมพลัมนะคะ สัญลักษณ์ของความกล้าหาญและความหวังดุดดังดอกพลัมที่ชูชยอดในฤดูหนาวนะคะโอ้โหเท่มากอ้าวไส้ต่อไปเป็นไส้ที่เราคุ้นเคยค่ะไส้ถัญญ่นยาพืชก็เมล็ดถั่วทั้งหลายแล้วค่ะที่เห็นชัดๆนะคะก็มีเม็ดแตงโมซึ่งเด็กบ้านนอกอย่างเดฉันจะชอบเรียกว่าเม็ดกลวยจี้นะคะเม็ดแตงโมมีถัว่วสารพัดถั่วเลยนะคะถั่วแดง ทัวเรื่องทัวลิสงนะคะใส่เข้าไปหลายๆทั ญ, ญพืชเหล่านี้เขาถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของโชคลาภและความอุดมสมบูรณ์นะคะแต่ถ้าจะไปอีกในยะาหนึ่งเมื่อก่อนแพงมากแต่ตอนนี้ไม่แพงแล้วค่ะหารับประทานง่ายด้วยนั่นคือเกาลัดนะคะไส้ขนมไหว้พระจันทร์ที่ทำจากเกาลัดหมายถึงลูกชายและสิ่งอันเป็นที่รักค่ะ โอ้ดอกเกาลัดสวยมากดิฉันชอบดูนะคะเออต่อไปไส้พื้นๆแต่ยังคงครองใจผู้นิยมอยู่ไม่คลายคือไส้ถั่วแดงค่ะไส้ขนมไหว้พระจันทร์ที่ทำด้วยถั่วแดงชาวจีนเขาเชื่อว่าไตไตเป็นอวัยวะที่ขับความกลัวออกมาซึ่งถั่วแดงนั้นช่วยเพิ่มความกล้าหาญให้ไตได้อ้้หูคิดได้เนาะ แน่มากนะคะเดียนมองว่าเขาอาจจะเห็นอีกอย่างหนึ่งก็ได้นะคะว่าเจ้าถั่วแดงเนี่ยรูปร่างหน้าตามันคล้ายๆกับไตของคนเราค่ะก็เลยนำมาเชื่อมโยงความคิดกันอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะดังนั้นจะเป็นไส้อะไรก็แล้วแต่นะคะแต่เราก็ยังอริด อ, อร่อยกับการไหว้พระจันทร์อยู่ดีนะคะเออบางคนนะคะก็จะไปเจอเอ๊ะนี่มันขนมไหว้พระจันทร์ หือขนมโมจิก็แน่เพราะว่ารูปร่างหน้าตามันคล้ายๆกันไปใช่แล้วนะคะบางทีจะทําสีให้มันเป็นชาเขียวอีกต่างหากเนาะแล้วก็ยังมีไส้เป็นอัลมอนด์เป็นช็อกโกแลตเป็นครีมคัสตาร์ดละคะรูปร่างหน้าตาก็เริ่มจะมีทั้งสี่เหลี่ยมมีทั้งกลมๆแล้วก็มีเออเขาเรียกพิมพ์ประทับอยู่บนตัวหน้าขนมอีกสวยงามล่อตาล่อใจ ส่วนให้รับประทานกันอีกนะคะดังนั้นนี่คือเรื่องราวของขนมไหว้พระจันทร์นะคะส่วนขั้นตอนนะคะท่านใดที่ไหว้ไปแล้วเมื่อคืนคงจะทราบดีแต่ถ้าใครที่ไม่ได้ทราบนะคะแต่ว่าวันนี้ได้รับประทานขนมไหว้พระจันทร์ด้วยเนี่ยก็อาจจะคิดถึงเมื่อคืนนะคะว่าเขาทำอะไรกันบ้างขั้นตอนวิธีการไหว้พระจันทร์นะคะ ก, ก็คื อ, เ, อ, อเมื่อ ถ้าที่ตกดินคือเริ่มตอนหัวคำ่ำเห็นพระจันทร์ก็สามารถไหว้ได้เลยค่ะมีการตั้งโต๊ะจัดให้เรียบร้อยก่อนพระจันทร์จะลอยสูงเกินขอบฟ้าแล้วก็เก็บก่อนที่พระจันทร์จะเลยหัวไปหรือเมื่อเทียนดอกใหญ่ดับลง สถานที่ไหว้พระจันทร์ก็อาจจะเป็นกลางลานบ้านหรือเป็นดาดฟ้าก็ได้นะคะส่วนเครื่องบวงสวงที่เขาใช้กันนะคะมักจะไหว้ด้วยของเจเหมือนไหว้เจ้าแม่กวนอิมค่ะซึ่งการไหว้พระจันทร์ก็เพื่อให้มีคู่คนจีนก็จะถวายอาหารเป็นเลขคู่แต่บางคนก็อาจจะถวายอย่างละห้าก็ได้นะคะการไหว้ก็ควรจะเป็นของแห้งเพราะไหว้พระจันทร์จะทําในพิธีกลางคืนของสดจะเน่าเสียง่ายนั่นเองนะคะ ซึ่งเมื่อวานนี้ที่ตลาดก็คงจะคึกคักคึกคักนะคะเพราะว่าคนก็จะไปซื้อพวกขนมหวานสี่อย่างมีขนมวหวพระจันทร์ขนมเปี้ยะสาคูแดงสีถ้วยขนมโก๋สีขาวงั้นนี่เราดิฉันเห็นตลาดนั้นมีขนมโก๋ขายมากขึ้นซึ่งมันเป็นของที่ดิฉันชอบกินมาตั้งแต่ยังเด็กเลยนะคะขนมโก๋ไพ่ตอนนี้มีกลมๆ ม, มีไส้นู่นไส้นี่ไส้นั่นโอ้ดัดแปลงจนกินกันเพลิน นอกจากนั้นอาหารจีนที่เขาทำก็จะมีวุ้นเส้นดอกไม้จีนเห็ดหูหนูเห็ดหอมฟองเต้าหู้เป็นตน้นแล้วก็ยังมีผลไม้ที่เป็นมงคลอีกสี่อย่างสี่อย่างนี้นะคะคุณผู้ฟังอาจจะโอ้เรามีไม้มงคลที่เราชอบเกินสี่อย่างเลือกอะไรได้บ้างก็จะมีตั้งแต่ทับทิมซึ่งมีเมล็ดมากมายเข้าหมายถึงการมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองค่ะส่วนแอปเปิลหมายถึงความสงบสุขสันตินะคะ ส้มโอหัวเผือกก็ใช้ได้นะคะอ่างุูนก็ได้ค่ะเพราะว่าอังุลนเนี่ยมีความหมายถึงเพิ่มพูนส้มนี่หมายถึงสิ่งเป็นมหามงคลเลยนะคะส่วนซาลี่จะหมายถึงมีแต่เรื่องดีดีสิ่งดีดีเข้ามาในชีวิตนะคะนอกจากนั้นก็จะมีน้ำชาสีถ้วยดอกไม้สดหนึ่งคู่ทูบสามดอกหรือห้าดอกเทียนหนึ่งคู่แล้วก็กระถางทูบ ของใช้ส่วนตัวของผู้หญิงนะอันนี้ก็คือชุดใหญ่นะคะพวกชุดเครื่องแป้งเครื่องสาอางเครื่องประดับเครื่องแต่งกายของผู้หญิงอาจจะมีโคมไฟเพื่อให้มีชีวิตชีวาสว่างสวยัยอาจจะมีอ้อยอีกหนึ่งคู่สำหรับทำเป็นซุ้มเรียนว่าทำเป็นซุ้มนี่คงจะบ้านข้าหบดีหรือผู้ที่มั่งคั่งเป็นพิเศษถ้าชาวบ้านอาจจะย่อไปซื้ออ้อยที่เขาตัดสาเร็จรูป เป็นท่อนๆก็คงจะได้บังคะนอกจากนั้ก็มีกระดาษไหว้พระจันทร์กระดาษเงินกระดาษทองนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ของจีนๆตามที่เขาขายเป็นชุดคือชุดเจ้าแม่พระจันทร์นะคะนี่ก็คือเรื่องราวที่ดูแล้วมีความสุขดูแล้วเป็นสิริมงคลกับชีวิตของคนที่ไหว้พระจันทร์นะคะเขาก็เตรียมนำทุกสิ่งทุกอย่างมาเริ่มจากการตั้งโต๊ะ มีการทำซุ้มประตูทำต้นอ้อยก็คงต้องผูกต้นอ้อยผูกคมไฟไว้กับต้นอ้อยให้สวยงามนะคะแล้วก็มีวางเทียนไว้หน้าสุดดอกไม้สองข้างจัดดอกไม้ให้สวยงามจัดผลไม้ให้สวยงามแล้วก็ขนมที่เตรียมมาทั้งหมดนะคะประดับประดาให้สวยงามจะมีลวดลายต่างๆก็แล้วแต่นะคะแต่ละบ้านก็สะดวกไม่เหมือนกันแต่ที่แน่ๆดิฉันคิดว่าทุกคนตั้งอกตั้งใจคือ เน้นสวยงามเป็นหลักจากนั้นก็ไหว้อธิษฐานขอพรต่อพระจันทร์วันเพ็ญ น, นั่นเองนะคะซึ่งเขาก็จะมีบทสวดซึ่งขออนุญาตไม่อ่านนะคะเพราะว่าแต่ละที่บางคนก็อาจจะไม่ได้สวดแบบนี้ก็ได้แต่ไหว้เป็นภาษาไทยก็คงจะมีค่าได้เหมือนกันนะคะใครที่สะดวกอย่างไรนะคะก็คงจะจัดตามที่ตนเองสะดวกนะคะแต่ส่วนมากแล้วเขาก็ เน้นไปที่ขนมไหว้พระจันทร์หรือขนมที่เป็นรูปทรงกลมซึ่งหมายถึงพระจันทร์ของใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้หญิงและโหลหรือชามใส่น้ำตั้งเอาไว้เพื่อให้เป็นแสงสะท้อนจากเงาจันทร์เสมือนว่าเราได้อาบแสงจันทร์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ไหว้นั่นเองค่ะและสิ่งสุดท้ายที่หลายๆคนหรือครอบครัวจะได้จากการไหว้พระจันทร์ในวันนั้นก็คือสมาชิกในบ้าน ในครอบครัวจะได้มาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันในวันดีๆแบบนี้ซึ่งจะมีปีละครั้งนอกจากนั้นก็จะได้รับประทานอาหารพร้อมหน้ากันภายใต้คืนพระจันทร์วันเ็นเต็มดวงอันเป็นการนําความสุขสมบูรณ์มาสู่สมาชิกครอบครัวได้เป็นอย่างดีถือว่ากิจกรรมนี้นะคะเป็นประเพณีที่มีคุณค่ายิ่งสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงาม ต่อกันมาแล้วก็คงจะเผยแพร่ต่อกันไปเรื่อยๆนะคะสําหรับคนไทยหรือคนไทยเชื้อสายจีนหรือเพื่อนๆของชาวจีนทั้งหลายวันนี้ที่รอคอยก็คงเอาขนมไหว้พระจันทร์มาฝากฉันด้วยนะแต่ดิฉันก็ไม่ทราบจะไปรอจากใครไปซื้อจากร้านสะดวกซื้อมารับประทานเองเรียบร้อยแล้วค่ะทั้งไส้อืมถั่กเข็มมีไข่แดงด้วยนะคะแล้วก็ไส้ เม็ดบัวหรือมเมล็ดบัวดังนั้นนะคะก็อิ่มอร่อยไปกับเทศกาลพระจันทร์วันเพ็ญไปด้วยแต่ที่แน่ๆค่ะท้องฟ้าที่บ้านที่ฉันโชคดีสวยสว่างนะคะเพราะเมฆผ่านไปแล้วแต่จังหวะที่น่ารักน่ารักอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เมฆหนาๆนะคะแล้วพอช่องโหว่ของเมฆผ่านแล้วพระจันทร์โผล่ออกมาถ่ายรูปสวยมากเลยค่ะท่านใดที่ชอบถ่ายรูปนะคะ เช้ามืดวันนี้ตื่นเร็วแล้วฝังดิฉันไปด้วยออกไปถ่ายรูปไปด้วยนะคะตอนนี้ยังเห็นพระจันทร์ชัดเจนอยู่แต่เดี๋ยวอีกสักครู่พระอาทิตย์ขับรถมาถึงเนี่ยพระจันทร์ก็จะค่อยๆอับแสงลงเป็นธรรมชาติเมื่อพระจันทร์ขึ้นพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วแต่เมื่อพระอาทิตย์จะเริ่มส่องแสงเรื่อเรืองมาพระจันทร์ก็จะถูกแสงของพระอาทิตย์ข่มรีลงรีลง จากสีเหลืองก็จะเป็นขาวนวลแล้วก็จะกลายเป็นขาวเฉยๆอยู่บนท้องฟ้าคุณผังการนี่คือชีวิตวัฒนธรรมค่ะคุณผัง ฟังทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรี FM 89.5 นะคะดิฉันพนอธรรมเนียมอินดำเนินรายการคุณบิ๊กควบคุมเสียงและหาเพลงเพราะๆมาให้เราได้รับฟังกันเพลงต่อไปนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าคุณบิ๊กจะเลือกเพลงสำเนียงจีนหรือจะเป็นเพลงเพราะๆลีลาของคุณบิ๊กเหมือนเช่นเคยเชิญรับฟังกันเลยค่ะ เคยกล่าวไว้ไม่วันไหนก็คงวันหนึ่งวันนั้นก็เวียนมาถึงคงจะซึ้งดีแล้วใช่ไหมิเมื่อยามยังสวยยังสาวก็เป็นดาวได้พอสิ้นพรมมหาาจรย์ไปจะมีใครมาเลีวยล แต่มาบาดนี้สิ้นศักดิ์ศรีคงคำหนึ่งได้ความเส้าต้องสิ้นสลายมีคนไหนจะคิดแยแสอยากเห็นหนักหนาสุดหาทางได้มาแก่คำพี่จริงมีปรวนแปรเป็นผู้แพ้ดังคำทำนาย ผิดเป็นครูควรรู้ไวเป็นบทเรียนตราบใดโลกยังหมุนเวียนควรเปลี่ยนความคิดเสียหมย่เจ้าหลังน้ำตาใครเขาจะมาซับน้ำตาให้จะมีใครเขาเห็นใจคนที่ได้ของการเป็นดาว เชื่อฟังสักนิดเก็บไปคิดคงเป็นดวงแก้วมัวเลืองว่างามเพลิดแล้วพลังพลาดแล้วก็ขายหน้าเขาดังเช่นเดียวนี้ความสวยมาช่วยก็เปล่าทนกลัำมกลืนมีบันเทาทนปวดร้าวไปจนวันตาย เชื่อฟังสักนิดเก็บไปคิดคงเป็นดวงแก้วมัวเลืองว่างานเพลิดแล้วพลังพลาดแล้วก็ขายหน้าขาวดังเช่นเดียวนี้ความสวยมาช่วยก็เปล่าทนกลางเปลืนมีบันเทาทนปวดร้าวไปจนวันตา ขนี้ทุกท่านกำลังรับฟังรายการชีวิตวัฒนธรรมทางเ m เ 89.5 สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีดิฉันพนธรรมเนียมอินดำเนินรายการนะคะชาามืดวันนี้ขอให้เป็นชาามืดที่ทุกท่านมีความสุขเดินทางปลอดภัยนะคะ และวันนี้นะคะก็มีข่าวที่จะมาเชิญชวนคุณผู้ฟังค่ะไปที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยกันนะคะเดืยนก็ได้รับความกรุณาจากอาจารย์สวัสดิ์จงกลุลผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติของหอประวัติจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยท่านกรุณาให้ข้อมูลนะคะบอกเล่าเชิญชวนเพื่อให้พวกเราไปร่วมงานวันที่ระลึกบรรษัทดนตรีนะคะซึ่งเขาก็จะ จัดขึ้นในวันที่20กันยายน2562เวลา18นาฬิกาถึง21นาฬิกาณหอประชุมจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะคุณสุรเดชพันลีศูนย์สื่อสารองค์กรจุฬาก็กรุณาส่งข้อมูลมาให้วันที่ระลึกวันทรงนุนตรีนั้นนะคะก็จะขอเชิญทุกท่านไปเลินเพลงพระราชนิพลประทับใจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะชมฟรีค่ะ ที่หอประชุมจุลานะคะเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมมาชนากธาิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรที่เคยเสด็จมาทรงดนตรีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยในช่วงปี2501ถึง2516และถ่ายทอดความทรงจำที่ประทับใจในวันทรงดนตรีค่ะ ก็จะได้พบกับการแสดงของวงดนตรีสากลสโมสร น, นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือวง c u b a แบนะคะร่วมกับวงดนตรีนิสิตเก่าซึ่งตั้งชื่อเองว่า c u b a แบนหรือ O.C.U.Ban แบนค่ะร่วมด้วยวงดนตรีพิเศษนิสิตเก่า รุ่นต่างๆนะคะเนื่องในวาระเก้าสู่ปีที่หกสิบห้าของวงซี b ูแบนนำเสนอบทเพลงพระราชนิพลอันไพเราะมากมายเช่น Blue Night ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าได้ส่งพระราชนิพลและพระราชทานให้ใช้ในการแสดงละครบรอดเวย์ของสหรัฐอเมริกาเมื่อปีสองพันสี่รอยเก้าสิบสามค่ะซึ่งจัดการแสดงถึง สองร้อยแปดสิบรอบในระยะเวลาหนึ่งปีนะคะแล้วก็มีบทเพลงพระราชนิพนธ์โนมูลและใกล้รุง่งซึ่งวงซิวแบนได้เคยขับร้อง ในงานวันสงดนตรีที่หอประชุมจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเมื่อปี2516ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการขับขานบทเพลงของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะเช่นเพลงจามจุรีประดับใจโดยคุณจิตติมาเจอใจค่ะซึ่งท่านก็เป็นผู้ที่บันทึกเสียงบทเพลงนี้เป็นครั้งแรกนะคะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมี คุณชาวนาพัทราวานิกนะคะเป็นผู้ร่วมขับร้องบทเพลงในปี2515ด้วยนะคะรวมถึงบทเพลงไพโรต่างๆทั้งเพลงไทยและเพลงสากลค่ะขับขานโดยนิสิตเก่าวงซิวแบนซึ่งเคยมีส่วนร่วมในบรรยากาศอันประทับใจในงานวันทรงดนตรีและงานวันที่ระลึกวันทรงดนตรีนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีนักร้องรับเชิญ เยอะแยะเลยค่ะในโอกาสสำคัญอย่างนี้ก็ขอเชิญทุกท่านเข้าชมฟรีนะคะที่หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะวันที่20กันยายน2562นี้เวลา18นาฬิกาถึง21นาฬิกาชมฟรีนะคะแล้วก็ขอเชิญร่วมทาบุญบริจาคสมทบทุนอานันทธระมหิดลนะคะที่หน้างานนะคะหรือบริจาค ธนาคารไทยพาณิจกรรมกัดมหาชนหรือจะสอบถามรายละเอียดได้ที่ 022183364-6 022183364-6 เป็นสำนักบริหารกิจการนิสิต จ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่022187052อีกเบอร์หนึ่งนะคะ02218 เจ็ดูนห้าสองค่ะนี่คือข่าวดีที่ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝากประชาสัมพันธ์มานะคะก็เป็นกิจกรรมในรอบปีที่ดำเนินการมายาวนานมากนะคะขอเชิญร่วมน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณยิ่งไม่เพียงแต่เฉพาะชาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแต่ คนไทยทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในผืนแผ่นดินไทยนี้หรืออยู่ทุกมุมใดในโลกแม้แต่ชาวต่างชาติต่างก็น้อมสำนึกในพระมหารกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้นะคะเราร่มเย็นเป็นสุขภายใต้พระบารมีของสถาบันพระมหากษัตริย์เรามีความสุข พระองค์ก็ทรงมีความสุขด้วยแต่เมื่อใดที่ราษฎรเป็นทุกข์เดือดร้อนพบกับภัยพิบั ต, ติต่างๆสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์นะคะก็ทรงพระราชทานความช่วยเหลือทรงบำบัดทุกข์บำรงสุขให้แก่พระสุนิกรสืบเนื่องมาดังนั้นสิ่งที่เราจะทำดีถวายแด่พระองค์ท่านทุกๆพระองค์ได้ก็ง่ายที่สุดคะ่ะ เป็นคนดีเมื่อเป็นคนดีแล้วก็มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็มีจิตใจที่ดีงามนะคะสังคมเราก็จะน่าอยู่ค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพคะช่วงนี้หลายคนก็เตรียมเทศกาลอีกเทศกาลหนึ่งนะคะก็เป็นเรื่องวันนี้รู้เหมือนที่ฉันจะมาแนวจีนๆแต่ไม่ได้นุ่งกี่เพ้ามานะคะก็คือจัด ปกตินะคะแต่มันเป็นรอยต่อของการไหวพระจันทร์กับเทศกาลกินเจได้ยินเพื่อนเพื่อนเขาเตรียมกันแล้วนะคะเขาบอกว่าเนี่ยใกล้จะกินเจอีกแล้วนะคะปลายเดือนนี้ก็จะมีการกินเจตั้งแต่เย็นวันเสาร์ที่28กันยายนจนถึงตอนเย็นของวันจันทร์ที่ 7ตุลาคม2562เป็นเทศกาลกินเจเทศกาลกินผักละเว้นเนื้อสัตว์ทำบุญร่วมกันในรอบปีก็อาหารเจก็จะโอ้โหมีเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วคนที่แต่งชุดขาวเขาก็จะเคร่งแต่งชุดขาวกินเจแล้วก็ผักก็จะแพงในช่วงนั้นแต่ดีทั้งก็จะห่วงเหมือนกันว่าตอนนี้น้าท่วมพี่น้องเราเดือดร้อนหลายๆที่ผักจะเป็นยังไงหนอ นะคะคนกินเจจะเดือดร้อนไหมเพราะกินเจเนี่ยไม่ได้อืจ่ายค่าอาหารน้อยลงเลยนะคะอาหารแพงเหมือนเดิมแหละคะ่ะแต่ก็มีคนถามเล่นๆสนุกๆว่าเอทศการกินเจกินผักแล้วทําไมต้องทําอะไรนะคะรูปร่างของอาหารเหมือนไส้เหมือนประดุกเหมือนเนื้อสัตว์ด้วยก็อันนี้เป็นเรื่องของรูปลักษ เรามองข้ามไปนะคะมองเจตนาที่คนเหล่านั้นเขาตั้งใจที่จะทําบุญละเว้นไม่เบียดเบียนสัตว์ในรอบปีนะคะก็ด้วยกันไม่กินเนื้อสัตว์ถือศีลกินเจกันทราบว่าไม่พูดจาหยับคายแล้วก็ล้วนแล้วแต่ทําตนให้เหมือนจําศีลคล้ายๆอย่างนั้นนะคะเหมือนถือศีลเพราะฉะนั้นแต่ละชุมชนแต่ละกลุ่มสังคมแต่ละกลุ่มชาติพันธ์ ก็จะมีวิธีปฏิบัติ วัฒนธรรมประจำถิ่นของตนเองนะคะที่น่าสนใจพอมีขนมไหว้พระจันทร์ของคนไทยยังก็ไปนึกถึงกยายศาสตร์ซึ่งเป็นเทศกาลอีกเทศกาลหนึ่งของไทยเราในเดือนสิ์แต่ยังไม่เล่าวันนี้นะคะเกิ่นเกินให้ฟังไปก่อนว่าตอนนี้เนี่ยมีกิจกรรมอะไรที่เป็นเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีแยะๆที่มาแน่ๆแล้วก็คือซองกระถินค่ะอันนี้เป็นเรื่องราวที่คนไทยหาโอกาสทาบุญนะคะ เรีนใช้คำว่าคนไทยหาโอกาสทำบุญตอนนี้ถ้าน้ำไม่ท่วมน้ำไม่ล่มคนไทยก็อยู่ในภาวะที่ออดูแลเรื่องสวนไรนาไปนะคะเก็บเกี่ยวผลิตผลไปขายแล้วพอใกล้จะถึงฤ ด, ดูออกพรรษาก็จะเตรียมแล้วค่ะหาโอกาสกลับบ้านไปงาน ทอกรินสามคัคคีพาพระป่ากกลับบ้านเพื่อจะไปสร้างความเจริญไปบูรณะปฏิสังขรณวัดวาอารามใกล้บ้านของตนนะคะเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องราวที่เป็นวัฒนธรรมเป็นความเจริญในจิตใจและบันนั้นเดียวฉันอ่านข้อมูลทางเพื่อนที่ส่งมาในไลน์เดี๋ยฉันก็นั่งขำๆนะคะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเวลาที่ใครมาเชิญเอา้าช่วยเป็นกรรมการกรินหน่อย จ้าได้หนึ่งร้อยเอเป็นลองประทานให้หน่อยได้ไหมอ่ะลองประทานเท่าไหร่ห้าร้อยพันหนึง่งแล้วแต่อ่ะเป็นโน่นนี่นั่นให้หน่อยก็เขาจะมีการคุยกันในแต่ละกลุ่มซึ่งดิฉันก็ในฐานะเป็นผู้ธศาสนิกชนคนหนึ่งนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังคับเพราะฉะนั้นพอได้ยินใครพูดในลักษณะที่ว่าทำไมต้องเท่านั้นเท่านี้เท่านู้น ดก็อยากจะเรียนว่าการทำบุญนั้นนะคะเป็นเรื่องของความศรัทธาเราทำตามอัตภาพถ้าเรามี20แล้วเราจะทำ100เราจะได้บุญไหมคะถ้าเรามี 1,000 เราอยากทำเท่าไหร่เราก็ทำได้แต่ถ้าเรามีนับ ล้านล้านเราอยากทําก็ยิ่งได้ตามที่เราประสงค์ดังนั้นเดียนไม่เคยมองว่าถ้าดิฉันจะทําบุญสักสิบบาทเป็นเรื่องน่าอายไม่ใช่นะคะเรามีเท่าไหร่เราพร้อมเท่าไหร่เราจบสตางนั้นขึ้นอธิษฐานทําบุญเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาทําบุญเพื่อขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ใครทําบุญเพื่อสร้าง กุศลให้กับตนเองและทําบุญแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรนี่แหละค่ะคือสิ่งที่เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ง่ายๆเป็นพื้นฐานโดยที่ตัวเงินปล่อยให้มันเป็นเพียงตัวเลขเท่านั้นนะคะอย่ายึดจนกระทั่งหลายคนอ้หูปีนี้ฉันสิบซองฉันจะนั่นนี่นูน่น เออบางทีคนที่คุยเขาก็ไม่ได้มีเจตนาร้ายเพียงแต่เขาคุยกันขำๆแต่บางคนก็จะบอกว่าเนี่ยพออยู่ต่างจังหวัดก็จะมีกิจกรรมเหล่านี้มากกว่าคนอยู่กรุงเทพนิดนึงโดยเฉพาะคนที่มีหน้ามีตาในหน่วยงานใหญ่ๆก็มักจะได้รับเกียรติเชิญนะคะซึ่งเหล่าเนี้คุณผู้ฟังที่อาจจะได้ยินได้ฟัง เดนอยากให้วางใจให้นิ่งๆมีความสุขสงบเพราะว่าการทำบุญของทุกๆศาสนาก็จะไม่จำกัดชัดเจนยกเว้นบางศาสนาซึ่งก็ได้ยินเพื่อนฟังเล่ากันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาแค่สิ่งที่เราต้องสัมผัส และเราเดินร่วมทางไปกับทุกๆคนได้อย่างมีความสุขนะคะอย่าให้การทําบุญมันมาสร้างความรู้สึกที่เหมือนมีม่านบางๆกัน้นระหว่างอะไรอะไรอะไรเลยเพราะว่าถ้าไม่ได้ทําบุญด้วยเงินไม่ได้ทําบุญด้วยการตักบาตรไม่ได้ด้วยการอามิสบูชาแต่เราปฏบิบัติบูชาคือเราสวดมนต์เราตั้งจิตที่จะเป็นคนดี ทำความดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และทำตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นก็คือการทำบุญเช่นเดียวกันนะคะเดิมเคยได้ฟังพระผู้ใหญ่ท่านบอกให้ดิฉันสบายใจเล่าให้ญาติโยมฟังว่าบางครั้งบางคนตั้งจิตเป็นบุญเป็นกุศล แต่มีเท่านี้ก็ขอทำบุญเท่านี้ท่านได้บุญเต็มที่แล้วนะคะแต่สำหรับบางท่านที่ทำไปแล้วรู้สึกตะคิดตะขวงใจหรือมีบางสิ่งบางอย่างบุญนั้นอาจจะไม่ถึงบุญสูงสุดก็ได้แต่สิ่งที่เราสามารถทำแล้วก็อุทิศไปให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเจ้ากรรมนายเวรหรือแม้แต่เทวดาที่ปกปักรักษาเราผู้มีพระคุณของเราทุกๆสถานนั้นถ้าเราสวดมน แล้วก็แผ่เมตตาให้กับท่านเหล่านั้นการที่เราสวดมนต์บาเพ็ญจิตให้ดีนิ่งเป็นกุศลแล้วแผ่เมตตาให้กับท่านบุญเหล่านั้นจะถึงผู้ที่เราส่งไปให้เพราะเขาบอกว่าบางทีเราทำบุญอาหารให้ไปเนี่ยบางคนอยู่ลึกมากๆ ก, ก, ก็ไม่สามารถรับประทานอันนั้นได้แต่สิ่งที่เราสวดปฏิบัติ แล้วก็แผ่เมตตาไปให้เขาจะได้รับไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ใดก็ตามนะคะคุณวิวัฒนที่นรบคะ่ะคุยกันไปคุยกันมาฟ้าสางแล้วคะ่ะหน้าต่างบ้านของดิฉันก็คงจะมีเสียงนกมาจิบจิบปลุกแล้วคุณวิวัฒน์นะคะมีนกมาปลุกหรือยังเสียงไก่ขันหรือยังนะคะเสียงเพื่อนบ้านเริ่มกุกกักเอืมเรฉันคิดถึงกลิ่นอายของความเป็นเด็กบ้านนอก ถ้าเป็นมะก่อนน่นเสียงเข็นเรือออกจากอู่เรือเสียงขึ้นตาลกระบอกตาลบนยอดตาลแกว่งไกวกระทบกันเสียงพระเคาะระฆังที่วัดภาพความงามเหล่านี้อยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยมานานแสนนานนะคะและทุกวันนี้ดูมันจะค่อยๆเหื่อหายไปตามบริบททางสังคม เราจะทำยังไงกันดีนอ no. ที่จะทำให้ภาพที่เป็นวิถีไทยๆของเรากลับคืนมาตอนนี้ดูเหมือนหลายท่านโหยหาจะไปโฮมสเตย์ไปกินบรรยากาศที่ความเป็นอยู่ของชุมชนแต่ละถิ่นถ้ามีโอกาสก็ขอเชิญ น, นะคะสะดวกที่ไหนไปที่นั่นนอกจากเราจะได้พักผ่อนนอกจากเราจะได้ไปเรียนรู้สิ่งที่เป็นสังคมของเราในวิถีต่าง เจ้าของบ้านเขาก็ดีใจที่ได้ต้อนรับแขกเศรษฐกิจ ก, การเงินหมุนเวียนสภาพคล่องก็จะดีขึ้นนะคะมีมากใช้มากมีน้อยใช้น้อยไม่มีก็เดินไปเที่ยวตลาดแถวบ้านก็ได้ค่ะไปวัดก็ได้นะคะหรือไปเดินตามห้างที่ไม่ต้องเสียตังค์บางคนพูดตลกแต่ดิฉันก็เชื่อว่าจริงอุ้ยร้อนไปนั่งห้องแอร์เย็นๆดีกว่านั่งรถเมล์ไปอ้าว ยังไงก็ได้แล้วแต่สะดวกนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้วันหยุดค่ะของหลายๆคนวางแผนกิจกรรมวันนี้ให้ดีแต่ช่วงนี้มีการเดินทางกันเยอะๆเลยนะคะตัวดิฉันเองก็อยู่ในช่วงที่ต้องเตรียมตัวเดินทางไปต่างจังหวัดเช่นเดียวกันนะคะไปหกโมงเช้า ว, วันนี้ละคะ่ะแล้วก็กลับพรุ่งนี้กลับมาจากปากช่องวันจันทร์วันอังคารก็ไปปฏิบัติงานที่นนทบุรีอีก2งวันกลับไปปากช่องใหม่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 ผู้ควบคุมเสียงดกรกุลกนิษฐ์ทองเงาควบคุมรายการเราสามคนลาท่านไปก่อนนะคะพบกันใหม่เช้ามืดของวันเสาร์หน้ามีความสุขกันทุกบ้านทุกครอบครัวนะคะสวัสดีค่ะรายการชีวิตวัฒนธรรมสนับสนุนรายการโดย